ลองทกันเป็นส่วนประกอบการปฏิบัติธรรมที่เรากำลังทำอยู่หลายแง่หลายมุมเพอฝึกขนตนเงดงสรวจมืตาำวัดสาธยายพระสูตรเอามาสอนตัวเราเปิดละสูตรที่ลำดับไว้นโยกองไว้ เป็นลำดับหลบเพื่อนำม่ใช่สะดวกเรื่องของการฝึกฝนสอนตนไม่ใช่การอ้นวอนนอกจากเรามีสติฝึกตนเองแล้วโดยตรงยังมีสิ่งเวดล้อมหลายอย่างได้บทเรียนหลายอย่างเราได้ยินในฟังที่ เอามาปฏิบัติเอามาดูแล้วก็มีแต่บทเรียนที่มีค่าเร่นเรอสดท่า ส, าสี่ขันห้าเป็นเรื่องของรูปของนามแล้วก็เป็นเรื่องของชีวิตเหล่านี้ในร่างกายนี้มีท่า ด, ดินสิ่งไหนที่เป็นของเขียดแข็ง เทสารล่มาผ่านะทันต์ต่โจอะไรเอ็นกระดูกอะไรต่างๆทเราว่าไปมันคือธาตุดินส่วประกอบขวัญห้าจอย่างไหนที่เป็นของเหลวเป็นน้ำดีน้ำหนองเลือดลวอะไรต่างๆเป็นธาตุน้ำมันมีอยู่ในร่างกายนี่จนไหนที่เป็นความร้อน เผาอาหารให้ย่อยทำร่างกายใอบอุ่นทำร่างกายชุม่มชื้นมันเลยว่าถ้าไปจ่ตในที่เป็นช่องว่างในร่างกายนี้ที่เหมือนเป็นช่องอากาศที่เดินไปตามที่ต่างๆเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดไปตามตัวลมพัดขึ้นเบืองบนลมพัดลมเบ้องต่ำ ลมในซ่องลมในสายอันนี้เป็นลมนั่นมีอย่างนี้อะไรที่มันแจงออกที่มันไม่สมดุนกันก็ทำให้เพี้ยนไปเก็บไข้ได้ป่วยได้ผิดประเภทใช่ถ้าจีถ่าหน้าเป็นผิดประเภทใดเอาเวทนาเป็นทุกข์เอาเวทนาเป็นสุขได้ผิดได้ผิดประเภท ไม่ใช่เป็นประโยชน์เป็นความหิวอย่าไปออกมาเป็นทุกข์ความหิวอย่าออามาเป็นทุกข์ความบีบอย่าออกมาเป็นสุขให้เป็นเป็นธรรมชาติเป็นอาการของธรรมชาติให้มันลู่ซื่อเข้าไปเห็นเว็นกองเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้มันจะได้ไม่ชิ่นเบื่อ ถ้าสุกเป็นสุกทุกเป็นทุกมันเพี้ยนไปมันหลงทิศหลงทางไปไม่เข้าเชิดเข้าทางแล้วก็ลุกลงทางไปเป็นตง้งเป็นป่าไปเกิดความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความห ล, ล, ลงไปถ้าเห็นเป็นแต่ว่ามันก็เป็นทางไปมันก็ง่ายดีลู่ชื่อไป ไม่ใช่รูแบบเป็นหลงงมงายให้เป็นการกระทำของเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกการกระทําเป็นหน้าที่ของเธอพระเจ้าสอนอย่างนี้บอกจากนี้นั่นคือความหลงเห็นไหมนั่นคือความรู้เห็นไหมนั่นคือความสุขเห็นไหมนั่นคือความทุกข์เห็นไหมเกี่ยวข้องกับความหลงอย่างไร เกี่ยวอกับความรู้อย่างไรเกี่ยวข้องกับควา ม, าวามสุขความทุกข์อย่างไรถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ก็ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสติปัญญาแต่นี่เราจรึงมาฝึกสติเพื่อเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูหลงต่อไปพูดที่หลงวงพิบาลสละบุรีเมื่อวานนี้ในคนฟังสามสี่ร้อยคน เป็นเจ้าหน้าที่ของต่อนสุขทั้งหมดเขาพูดเรื่องเขาตั้งหัวข้อให้ว่าลอรู้สึกซื่อๆในหัวข้อคงรู้สึกซื่อๆนันก็รู้ซื่อๆกล่าว่าที่รู้มันชื่อไม่ใช่ผิดเป็นผิดทุกข์เป็นทุกข์ร้อนเป็นร้อนหิวเป็นหิวปวดเป็นปวดเจ็บเป็นเจ็บกวดเป็นโกรธหลงเป็นหลง เลิกเป็นลักเกียรชังเป็นเจียรชังไม่ใช่ไม่ใช่รู้ซื่อๆแต่ว่าที่รู้ซื่อๆมันก็จบมันสุขเห็นมันสุ ข, มสขไม่ใช่เป็นผู้สุขนี่คือรู้ซื่อๆเห็นทุกข์เห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์นี่คือรู้ซื่อๆถ้าทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นถู ก, มถกไม่ใช่ซื่อแล้วมันโคดมันโค้งไปแล้วหลงทิศหลงทางไปแล้วแล้วก็ ไม่จบสักทีด็เป็นสุขด้วยไ ป, ไปทุกข์เป็นทุกข์ด้วยไปโกรธเป็นโกรธด้วยไปห ล, ล, ลงเป็นหลงด้วยไปมันไม่จบลู่ซื่อๆมันก็จบไม่ว่าตรงปฏิบัติตรงมันหลงลู่ตรงที่สุดมันทุกข์ลู่ตรงที่สุดอะไรที่มันเกิดขึ้นในอาการของกายของใจลู่ซื่อเข้าไปเชื่อได้ทั้งหมด เป็นอันเดียวทั้งหมดไม่ใช่คนหลาอย่างของจริงต้องเป็นอย่างเดียวกันของไม่จริงต้องเป็นหลายอย่างอย่างโง่หลงงมงายให้เชื่อกันกระทําของเราที่งไหนที่เราศึกษาได้ปฏิบัติได้ทําให้ด้วยตนเองนั่นคือสัจธรรมใครสอนให้เราได้ทําเองนั้นเระคือผู้สอนความจริง ถ้าใครสอนเราให้เราพึ่งเขานั่นไม่ใช่คนจริงเราจะช่วยอย่างนั้นเราจะช่วยอย่างนี้นัยยนน่นไม่ใช่คนจริงเพื่อไว้แต่ร่างกายของเราต้องมีคนช่วยเป็นโครคไปใไข้เจบเยบหมอเขเดือนลูลกเขาดับโรคมะเร็งหมอลูกเขาช่วยแต่เราเขาช่วยใจเราไม่ได้ แต่เราต้องช่วยเราเองให้รูปเอาไว้นั่นคือโลกเรารูกตั้งแต่ศึกษาธรรมะรูปโลกนามโลกลุกทุกนามทุกมันเป็นโลกอันรูป ก, ก้อนนี่มันเป็นโลกของทุกเป็นเป็นก้อนทุกถูกความทุกอย่างเอาแล้วถูกความทุกเป็นเบอร์หน้าแล้วอันรูปเนี่ยไม่มีใคร นีอจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราไม่เห็นทุกแทนที่ทุกเป็นทุกทุกเป็นลูกไปเลยเป็นเหมือนทุกหมอบอกว่าเป็นมะเหลงต่อมน้ำเหลืองก็เนื้อโตเร็วนั่นคือโรคถ้รู้แล้วว่าโรคหวังอย่างรักษาได้โรคหวังอย่างรักษาไม่ได้ มันเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อเดี๋ยวมาเป็นความเบือลดล้นแม่มาเป็นทุกข์สิ่งนี้เราช่วยตัวเราส่วนโลกนั่นมีคนช่วยมีผู้รู้เราก็ช่วยตัวเองเราถ้าเราเป็นโลกเป็นผู้เจ็บเป็นผู้ปวดเป็นผู้เจ็บเป็นผู้ตายมันก็เกิดดอกเกิดดอก ไม่แพ่เห็นไม่ใช่เห็นชื่อซื่อถ้ารู้ชื่อซื่อมก็เห็นเป็ที่ปวดเป็นความปวดเห็นมันปวดเป็นความสนุ к, สน ก, ส น, กสนุกป่วยไปเลยสนุกเก็บไปเลยไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์อันทุกข์มันไม่มีมันจบมันจบได้สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่มีจริงๆมันจบได้ถ้าพระเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ว่าทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ว่าสงบทเครื่องกำจัดทุกข์ ไม่ใช่ทุกบรรทุกเราถือว่าความทุกข์มันจบการทำว่าอาการต่างๆมันจบไม่เป็นมันเจ๊ทุกวันจนกินข้าวอาหารไม่เฉื่อสักทีมันหิวทาอาหารไปอิ่มก็หิวเรื่อยไปหนักเบาเรื่อยไปมันเป็นการบรรเทาไม่ใช่แก้ ส่วนแช่ได้ linkage, คือหลงเป็นลูกทุกเป็นลูกเนี่ยแช่แช่ได้ต่างเก่าพ้นเพราะเดิมได้มันเจ๋เห็นมันเจ๋อแช่ได้มันเจีบเห็นมันเจีบแช่ได้มันตายเห็นมันตายแช่ไ ด, ด, ด้มันเกิดเห็นมันเกิดแช่ได้ไม่เกิดหยุดเกิดอยู่เจ๋ออยู่จีบอยู่ตายหยุดได้ไม่ติร์ในความสุขไม่ติร์ในความทุกข์ ไม่เจริญในความสุขไม่เจริญในความทุกข์ไม่ตายในความสุขไม่ตายความทุกข์ไม่อยู่ในการเกิดดับของรูปนามเห็นแล้วจบไปแล้วไม่มีอะไรจบไปแล้วจมหลงว่าจบแล้วความโกรธจบแล้วความทุกข์จบไปแล้วลกัวงโมหลงมางหมายจบไปแล้วเชื่อการกระทําของเราไม่ใช่เชื่อพิธีรีตองไม่มีอะไรลึกล้ำ ในชีวิตเหล่านี้ให้ลู่แจ้งก็ใครสอนให้เราลึกลับไม่ใช่สัจธรรมปิปัจนาเป็นของลู่แจ้งพ้นภาวะเดิมสัมผัสได้มันหลงเห็นมันหลงแจ้งแล้วไม่ใช่หลงเป็นหลงมันมืดแต่ทุกข์เป็นทุกข์มันยังมืดไม่แจ้งแต่ทุกข์เป็นลู่ชื้นเข้าไปมันแจ้งแล้ว ไม่ใช่นนหนีไปไหนในความหลงในความลูมมล้มันแจ้งอยู่ที่นั่นแทนที่หลงเป็นหลงรู้ทุขเป็นทุกมันก็เป็นความแจ้งไปแล้วนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆถูกต้องนี่คือกรรมคือการกระทาศักดิ์สิทธิ์นั้นหลงรู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรขวงกันได้มีเมตตากาุณาไม่มีขอบเขต ไม่ได้เลือกที่ลังมากที่ฉางเสมอภาพมิตรภาพของชีวิตจะหมอนเสมอผันทางมิตรภาพนั่งอยู่วนรถเชื่นทางมิตรภาพเอาน้ำใส่แก้วไม่กิดเพื่มมั่นในว่ามิตรภาพจิตใจผู้ฝึกเดียวไม่เหมปอนไหลสะเทือนเพราะหลงฉันได้หยิดของผู้ฝึกเดียวไม่สะเทือนเพราะนินตาสันเสรนี่คือมิตรภาพ ไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่คือชีวิตเราได้ชีวิตจากกรรมฐานส่วนที่เป็นชีวิตจริงๆอ่ะอันชีวิตที่ได้เลือดได้เนื้อดได้ร่างกายได้รูปเหมือนี่ได้มาจากเหตุปัจจัยบิดามารดาเป็นต้นแต่ได้ชีวิตเอาจากรูปนามนี่ไปเกิดชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่มีการเกิดเจ็บเจบตายนี่ หรือชีวิตของเราเดี๋ยวนี้เราเจเราเกิดเพื่ออะไรเกิดเพื อ, อาการของลูกของนามล้นเป็นผู้ล้นเกิดแล้วเกิดล้นเป็นตัวเป็นตนเราโก ล, ล, ลนโกลหนาวโกลหิวกูเจ็บโกลปวดเกิดแล้วในความเกิดเชื้อดันมันก็มีเจไปแม้จะเกิดโกรธเกิดแล้วแต่สิ่งไหนเกิดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเราอยู่ในภูมิมันต่ำ อภัยไม่เจริญโกรธโลภหลงไปปูมิวัต่ําถ้าเกิดแบบนั้นไม่มีทางไปสู่มรรคผลได้พ่ายแพ้ร่วมหลงเป็นหลงเป็นคนพ่ายแพ้รวมทุกข์เป็นทุกข์เป็นคนพ่ายแพ้ความโกรธเป็นโกรธเป็นคนพ่ายแพ้แล้วปัญชัยแล้วบาปแล้วไม่มีทางบรรลุธรมกับเขา นี่ยวาบาลาชัยเป็นคนแพ้แพ้อ่อนแอทุกเป็นทุกอ่อนแอโกรธเป็นโกโรธอ่อนแอหลงเป็นหลงเป็นคนอ่อนแอบูมันต่ำหน้ามีภูมิอ่อนตันต่ำนี่ก็ไปสู่อบายคือเปรตสุรกายเัตนลกูกเดือดฉานงูงูในความหลงโง่ในความทุกข์อยู่กับความทุกข์อยู่กับความโกรธข้าม บ, บางังข้ามเพลินงูเหมือนสัตว ขี้ขาดขี้กลัวมันก็เปลี่ยนความหลงความรู้พอใจในความโกรธด้วยขี้ขาดอ่ะสุรกายไม่กล้าสนมในนะความโกรธก็มีบางชีวิตเอาชีิตไปห่วยไปเขียนมาเกิดคมลักความชังนั่นไม่ใช่ชีวิตชีวิตเนของเขาเขาหิ้วไปไหนก็ไปอยู่ดีๆไม่อยู่ บางทีอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่เป็นคนผู้มีคุณธรรมต่อลูกทุกคนแต่เวลามันคิดในว่ามันหลงว่าเปลี่ยนแปลงแบลงเหนือหลงมากจนฆ่ากันจนแยข่ขางกันให้ความกดให้ความหลงพาลิชีชีวิตของเราน่าเสียดดยจนไปติดคุกติดล่างจนทำชั่วได้สำเร็จ นี่เร า, าเราก็เห็นเงินอยู่โกรธได้สาเร็จความโกรธเป็นความโกรธได้สาเร็จเกิดขึ้นในตัวเราบ้างเกิดขึ้นอ่างคนอื่นยื่นให้บ้างแล้วแต่ชีวิตเราจะไปเป็นที่ไหนเราเดินทาก็ทุกข์เขาเสนอก็สุขมันใช่ชีวิตแบบนั้นชีวิตแบบนั้นมันชีวิตกีรังไม่ยั่งยืนชีวิตต้องไม่เป็นอะไร เนี่ยเ้าก็พูดอย่างนี้เราก็สอนอย่างนี้เราบอกแล้วน้าเขายังหลงอยู่ไม่ใช่ความผิดของเราถ้าเขายังทุกข์อยู่ไม่ใช่ความผิดของเราให้รู้ซื่อคำอาถ้ามันรู้รู้ล้วมันหลงก็รู้ถ้ามันทุกข์ก็รู้มันผิดก็รู้มันถูกก็รู้มันสงบก็รู้มันพุ่งสัานก็รู้มันง่วงเหงาห่อนอนก็รู้มันเจ็บมันปวดก็รู้เนี่ยหลักมันอยู่ที่นี่เรียกว่ากรรมมาถาน อะไรเปลี่ยนมาเป็นรูปได้ทั้งหมดที่เกิดจากรูปจากนามที่เกิดจากกายจากใจเนี่ยจะได้เกิดเป็นรูปเป็นนามถ้าดูไปดูมามันเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามมันเป็นรูปทำด้วยมันทําดีมันทําชั่วรูปนี่นามมันทําดีมันทำํนทำชั่วได้น้ําเนี่ยรูปน้ําเกิดครั้งเดียว นามรูปเกิดหลายครัง้งนามรูปเกิดจากอเยตระตาหูจมูกเรีนกายใจรูปรสจินเสียงสอมผัตอารมณ์เกิดภกชาติที่นั่นด้วยอันนั้นเลยว่านามรูปเกิดดับเกิดดับชีวิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่มาตรฐานไม่เป็นอมตะไม่เป็นนิลันดน ต้มรูขุคานเหมือนหมดินทิ่งไหนที่เกิดจากนามรูเป็นหมดินสวยรู้ขนาดไหนมีความสุขขนาดไหนที่มันเกิดจากอาจารยะตาเห็นรูมีความสุขหูได้ยินเสียงมีความสุขจะมูกได้ยินเล่นเลโลดกายสัมปชีเจมีอารมณ์ดีเป็นสุขสุขแบบหม้อดิน นายช่างปันหม้อดินแม้จะทำรูปสวยรูปงามขนาดไหนใหญ่โตเล็กขนาดไหนรูปใดแบบไหนแตกทั้งนั้นไม่เที่ยงนี่เลยว่านามรูปชีวิตของเรามันใหญ่ตรงนี้ให้อายจะตนะเป็นใหญ่อันดึงไปตาก็ดึงไปหูก็ดึงไป มู ก, กดึงไปลิ่นก็ดึงไปกายก็ดึงไปใจก็ดึงไปเหมือนสัตว์หกแคนิดตาเหมือนงูซะพระเจ้าเปรียบเทียบนะหูเหมือนนกจมูกเหมือนสุนัขลูกสุนัขในแดนบ้านลื่นเหมือนจระเข้กายเหมือนสุนัขในแดนป่าใจเหมือนลิงดูซิเอาลิงเอางูเอา นกเอาหมาบาดเอาหมาป่าเอาจอยขี้มาผูกเสียกันดูมันจะไปทางไหนไอ้เพี้ยนจอยเคี้ยจะไปไหนฮะจอยเขี้จะไปทางไหนนกจะไปไหนมุกบินขึ้นอากาศลิงจะไปไหนลิงอะลูกสุนัขอะมันจะปิ้งไปไหน วิ่งเข้าบ้านสุนักป่าวิ่งออกป่าเห็นไหมแล้วอะไรที่มันเป็นใหญ่ล่ะจริงเรานั่นหรือคิตเราให้อาจตนามันเป็นใหญ่เลยต้องมีอินทรีย์สติอินทรีย์เป็นใหญ่เหมือนหลักอะไรโลกเนียหลักแล้วนะเห็นโลกโล่หได้ยินเสียงโล่จมูกได้กลิ่นโล่ ล่นได้รส ล, ลู่กายสัมผัสลู่จิตใจมาคิดลู่หลักไปอยู่ตรงนีอถ้ามีความลู่ใช่ลู่มากๆเข้ามากๆ ก, ก, ก, ก็มีพลังเป็นเสาหลักเรีวยว่าอินทรีย์สติอินทรีย์ใหญ่แล้วบ่นะ่ใหญ่กว่าตาใหญ่กว่าหูใหญ่กว่าจมูกลด้นกายใจรู้รสจินเสียงถ้ามีสติอินทรีย์อย่ามาเชื่อเรา มันอยู่กับท่านทั้งหลายนั่นแล้วให้มีสติอินทรีย์ยังไงสติอินทรีย์จะเจ๊ก้ายังไงประกอบให้มันอยู่นานๆสิ่งไหนที่อยู่นานก็เจ๊ก้าเมื่อเหมือนเจ๊ก้ามันก็มีผลขึ้นมะม่วงปลูกนานๆยอดเจ๊ก้ามันก็ออกดอกออกลูกยอดมะม่วง อ่อนอยู่มันไม่สามารถที่ออกโลกได้อินทรีย์เมื่อผลอ่อนมันไม่มีมากไมีผลไม่มีเกิดลูกไม่มีประโยชน์ต้องอยู่นานๆนนหนึ่งวันถึงเจ็ดวันแก่ขึ้นแล้วหนึ่งเดือนถึงเจ็ดเดือนแก่ขึ้นแล้วสเตอินทีแล้วหนึ่งปีถึงเจ็ดปีแก่ที่สุดแล้วดอกผลเกิดขึ้นนันที ทุกไม่เป็นทุกสุขมันเป็นสุขหนวโลกเนี่ยฝึกอย่างนี้นชีวิตเราอยู่หนัวโลกพระเจ้าจึงบอกสู้ทั้งหลายมาดูโลกสู้ทั้งหลายมาดูโลกนี้เห็นไหมเห็นไหมโลคขยบลหมาพาผู้ไม่มีโลกเป็นลาบบ ป, ประเซิฐนี่โลกอะไรโลกของอายะตะนะจบไปแล้วเป็นจัก่ว่า ใช้ม Th ันไม่ให้มันใช่เราเดีวนี้ตามันใช่เราหงอนใช่เราจมูกดี่มันกายมันใช่เราใจมันใช่เรากลคืนว่าหวันกลางวันบาคิดไม่หยุดไม่อยู่เลยท่องเที่ยววิ่งไปนวตตะสงสารวัตะคือวนอยู่วนเวียนอยู่ไปไม่รอด อาอยุเจ็ดสิบแปดสิเปยังวนอยู่ในความลักความจังความโกรธความโลภความหลงความสุขความทุกข์วนเวียนอยู่เขาไปกันแล้วหลวงตาจึงพูดว่าถ้าใครยังหลงยังโกรธยังโลภยังทุกข์อยู่ล่าสมัยล่าสมัยเราอยู่ในหลุมฝังศพกิดับเกิดับอยู่ทรงนั้นไม่เป็นอิสระเขาจึงมาศึกษาเรืนี่กันทุกวันน่ะ สากลจะเป็นประเทศไหนชีวิตแบบไหนลัที่อะไรแบบไหนอันเดียวกันหมดเลยนี่คือของจริงของพูดไว้ได้ยินเอาไว้ได้ยินเอาไว้ว่ามีคนพูดอย่างนี้ในความหลงมีไม่หลงในความทุกข์มีไม่ทุกข์ในความโกรธมีไม่โกรธ เอาเจ้าสอนพวกเราอย่างนี้พระสงฆ์พระสา ว, วกก็สอนมานี่ตอนแรกพอง ก, กับลูกอย่างนี้ลูกยังไม่ได้สอนคนเป็นพุทธตั้งแต่วันเพ็ิญเดือนหกเกิดพุทธะขึ้นมาพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ตั้งแต่วันเพ็ิญเดือนหกถึงวันเพ็ิญเดือนแปดจึงมาสอนลูก มาสอนดูกะทั้งพระธรรมคำสอนต่อเนี้ยลองสวดดูที่อิทธาตถาคะโตโลเยอุปโนเสือดไหมได้สารทะยัยั้ยทุกข์วันตอนเช้าอิทธาตถาคะโตโลเยอุปโนพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้สัมมาจิเตชิตโตนิพานที่ว่าปณิพานนิโตอะไรจำไม่ได้ ทั้งพระธรรมคำสอ น, นันเป็นไปเพื่อควมออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานในวันเพ็ญสนฆถึงวม่เพ็ญแปดมีคำสอนนี้ที่ป่าอิสิปตนะมลึกขายาวันมีผู้ฟังห้าคนคือปัญจวิคีทั้งห้าเป็นนักบวชเป็นฤาษีปัญญคีห้าคนก็มาใช่ใครที่ไหน มาจากไหนคําว่าปัญจวิคีเนี่ยโกนทยาพามเป็นพามหนุ่มไปทำนายลักษณะของศิท ธ, ธะตั้งแต่ประสูตรได้เกตวันพามหนุ่มนอกจากนั่นเป็นพามแกไปทำนายที่คนละ่ะพามไปทำนายลักษณะกี่คนละ่ะ พามที่ไปทำนรรายลักษณะศีทัตตะเมื่อประสูตดได้เกิดวันกี่คนนอกจากเกิดคนเป็นพรามแก่นี่พรามหนุ่มคือโกลทัน ญ, ญาโกลทัญญาพรามเป็นพรามหนุ่มน้อยแต่เมมีศาสตร์ที่ทํานายลักษณะของมนุษย์ถ้าจะพูดทํานายลักษณะภายแม่นคือ คนทันยาคนทันยาทายอย่างไรทายสิรธิธรรนะให้ขี้ทายยังไงทํานายยังไงคนทัญญาพวกเราชาวพุทธควรที่จะรู้เรื่องอย่างนี้นี่หลาตั้งเองแล้วทำนายว่าศิริธรรไม่มีทางคลองกรวาดแน่นอนต้องออกบวชตัดรูปเป็นพระเจ้าคนทันญยาทำนายพามนมุ่ม เป็นลักษณะเดียวเด็ดขาดส่วนพระม้าแก่เจริคนนั้นทานายสองลักษณะถ้าออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าศาสตราเอกในโลกถ้าเป็นครามว่าผู้คงหลือจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทำนายแบบเดียวกันเจรคนเป็นสองนัยยแต่ปณิยยพผ้าทนายเป็นลักษณะเดียวออกบวชแน่นอน รอจนธิรัธาอาอยุชิหกปีตั้งแต่เจ็ดวันรออยู่จำมาลู้จำไงลู้จำแต่ก็มีหลักฐานมันมาจากนี่ปัญจวิคีน่ะแล้วก็รลโกนทาย า, าพามรอจิดปีแปดปีสิบปี16กปีเอ้าภาสาสาวลูกเกิดขึ้น พระเจ้าโทธนาละวังจะให้เป็นจักรพรรดิไม่ต้องการให้บวชสร้างประชาสรสาวลูให้ใช้สาวสนมกำนันในไม่ได้จตีล้วนๆวนหาอคาามิสีให้สาวงามคือพิมพาเสร็จเลยไปไม่รอดเลยเอาแล้วไปไม่รอดหรอกเกิด โอรสคนหนังชื่อว่าลาหุนเอาแล้วว่นนะีพร า, ามทั้งเจ็ดนั่นแน่นอนเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิไม่มีทางไปบวดป่านนี้แล้วพระเจ้าโตโน้ระหวังที่สุดสิบหกปียี่สิบปียี่สิบเก้าปีลาหุนประสูตรแล้วว่านะี้เสร็จเลย คนท ญ, ญาเนี่ยยังมั่นใจอ่ะไม่ของคารวาต้องบวชแน่นอนรออยู่จนถึงยี่บ้าปีแตเด็ดเอาบวดเลยนานอ่ะเห็นนวว่าน่พารรมตทั้งเจ็ดคนไม่แม่นเลยคนท ญ, ญายว่าแม่นที่สุดเลยชวนแต่พรามทั้งเจ็ดคนตายไปแลว้วบ่เหลือแต่ลูกพราม เนียจะลูกชายของพราหมณ์เชวนเอาลูกของพราหมณ่นั่ะสังเกตคนอนะ่ะได้เี่คนนอกจากนั้นเขาไม่สมัครไปไหมไปจะพาตามพี่ท่าพระออกบวชแล้วต้องเป็นพระพรุทธเจ้าได้โพดพวกเราไปตามไปเป็นฤาษี อ, อกไปตามไปอุปทานมะาอยู่ต้องหกปีรอคอยจะให้ตัดะล มอ่อเห็นตอนที่ฉันเช่านังสุจดาเห็นว่าเจตธาตหรือสีธิตธาตออกปวดเลยไม่มีทางได้เลชวนปัญจวบชีสี่คนหนีจา้าโดยทีเดียวเห็นว่าหมดท่าแล้ว เ, เจ้าก็เจตาก็ปลอ่อยนั่นนะได้โอกาสแล้วได้โอกาสจะไง เพื่อนหนี้จาะเหลือคนเดียวแ <laughs> ทนที่จะว่าเบนะสิทเตธอนี่งมันจะเอาละเหล่าอยู่คนเดียวหรอแต่ก่อนปันเจ้กี้ต้องลูปหน้ารูปหลังคอยดูแลเไ ป, ไไปไ็น ไ, ปไงเป็นไงชิตเตเธป็นไงช่วยเลยเหมือนเจ็บป่วยมันก็โผมโรงโจมลุกจมนังในพูดได้จา่าอางดีก็ อาจารย์ไม่จงมุกเราอยู่ลำบากคนเดียวพอจนเข้านุสชะลาแล้วเอาเอาละไปเนี่ยเราอยู่คนเดียวที่ไหนละ่ะจากริมแม่ในรันชลาฝั่งทิศตะวโนโอกมองเห็นเดินเนินป่าพุทธคยาต้มรื่นเดินข้ามแม่น้ำในรันชลาเอาง่ะอยู่ที่นี่มันไม่ดีเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะ บ้านสุชาดาเนี่ยเป็นทุ่งข้าวคุ่งน้ําอู่ข้าวอูน่น้ําเข า, าเลยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไล่วัวไล่ควายลงน้ําในรันชลาถ้าน้ำเขาไม่ไดีเปลี่ยนทิศทางข้ามในรันชลาไปฝั่งที่ตรงตกเป็นเนินป่าแล้วจะเปรียบก็เหมือนกับข้ามลําำปะเหลืองมาอยููเนิน <laughs> สุเโตมองจากบ้านกองงง มันชุมชนเดินข้ามมานี่เห็นป่าเตยกูามามาได้ต้นสีมาโพโสดที่อาพามระหว่างเดินข้ามหน้ามาเห็นจำนหน้าเลื่อมใสศรัทธาไม่มีอะไรไปเกี่ยวยามาเอ้ยเอายาให้ห้ากับมือมาปูนหลงหลมละเราอยู่คนเดียวหรอกอังกฤษที่เดียวเลยมนุษย์คนไหนจะแม่นขนาดนะั้น เราจะนั่งขั้าสุดท้ายแล้วอะไรอะไรก็ทำมาหมดแล้วหกปีผ่านมามันเหลืออยู่เนี่ยเรื่องจิตเรื่องใจนี่แหละเรามาอกายเอาหมดแล้วเราจะเล่นงานตัวนี้ลงตั้งสัจจะเราจะไม่ลุกถ้าไม่ได้ จ, ะจะัตเจลูอนุกะสสมโมทิยานจะไม่หนีจากที่ตายเป็นตาย แม่เลือดเนื้อกระดูกผูพังไปก็ชากวันมีนมนุษย์คนไหนคิดอย่างนี้เข้มแข็งขนาดนีนน้เราจะไปไหนลองดูก่อนปฏิบัติลองดูก่อนหนึ่งวันแล้วไมาล่ลู่อะไรสองวันแล้วมาลู่อะไรประเมินเสแล้วหน่มจะไม่คิดอย่างนี้ตายเป็นได้จะรู้เนี่ยนัง่งไปก็คิดถึงนะถ้าเจ ะ, ะมานะ้มานเกิดขึ้นเชแล้วกิเลสมา คนเคยมีลูกมีเมียก็ย่อมคิดถึงลูกถึงเมียจิเลตมาน์นี่ไหมคิดถึงอคอาคั่งบอนไม่เพี้ยนคิดแตงการเก่าที่เคยหัวเราะเคยเชี่ยวพอเาอาสีเคยโยกเคยล้อคิดถึงสนมกำนันไหนย่อมคิดไปนั่งอยู่ตน้นถีบังโพลำบางองันเดียวย่อมว่าเวใช่ไหมย่อมว่าเว จะงบเกินไปสนุนกำนั้นไหนเคยดีฉีที่เป่าให้เสียห้งานจนหลับมาอยู่คนเดียวนียมันยอมสิดปุงเต่งไปกลับมาไม่ใช่ไม่ใช่หมานั่งคิดถึงเป็มบาแล้วับมารู้สึกตัวอัานคิดไปรู้สึกตัวจะเร็กก็จะอยู่นี่มืออาจะอยู่นี่้อนคิดไปรู้สึกตัว เลยหัดวิธีการคู่เขียนเข้าการคู่เขีนเข้าการเยืเ่ยเขียนออกมีสติหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกมาอยู่กับนี่อยู่ที่นี่ดูที่นี่ไม่หนีจากที่นี่ตัวรู้สึกตัวเป็นโพธิเวลามหลงรู้โอ้ยมันเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้เวลาคิดไปรู้ความคิดก็หยุดได้หยุดได้หยุดได้ ขันท์มรรมานเก็บให้ได้ป่วยขันเนื้อขันตัวฝนตกก็เปียกแดดโดนก็ร้อนตัวตายขึ้นมาเราเนี่ยทำไงาะเป็นไข้หรือเป็นไข้ามาเรียหรือเปล่าตัวร้อนหรือเปล่าเปล่ากลัวเหมือนกันคิดไปเฮ๊ะแล้วมานั่งอยู่เนี่ยขันธ์ธรมานขันธ์ธรมานคือเวทนา เป็นชุกเป็นทุกข์เป็นปวดเป็นเมื่อยปวหลงังปวดเดียวมัดจูมางกลัวตายกลัวตายบางทีงูจงอางเรื่อยมางูเห่าเรื่อยมายุงก็มากิดไม่มีอะไรมียาคากูไว้ไม่เมืม้านั่งเหมือนเราไม่มีหลังคาเหมือนเรายมเกิดอาการต่างกันแตตมานมัดจูมานกลัวตายทีบ่บุตรตมัน คิดถึงบระสาทช้ำฤดูมาเปรียบเ ท, ท, ทยีทยบต้นชีมาโพได้ไงฤดูร้อนอยู่หลังหนึ่งฤดูฝนอยู่หลังหนึ่งฤดูหนาวอยูอ่แล้วจำนั่งอยู่เนี่ยมันก็มีเพฮปุบุตรเมงางคิดถึงความสะดวกสบายเหมือนท่านทั้งหลายอยู่บ้านนอนที่ดีๆอะไรก็มีตู้เย็นเปิดได้ต้องการกินต้องการใช้อะไรใช้ได้นี่มาอยู่นี่ ยมคิดถึงความสะดวกอาหารก็มัดมือชกนะที่นี่ใช่ไหมเลือกไม่ได้อยู่ที่บ้านเลือกได้เลือกได้จะกินอะไรละเลือกได้อยู่นี่เลือกไม่ได้เสียแล้วเนื่องหลงอาหารก็ทำอะไรให้เรากินแต่เขาใจดีก็มีอาหารอร่อยถ้าเขาเจร้ายก็ไม่มีอะไรเลยอดไปแล้วอ่ อีแต่ถ้าไปเขยียนก็ยิ่งว่าเวที่พุทตธมานเกิดขึ้นมาไม่หวนไหวมันคิดอะไรกันก็รู้สึกตัวไม่หวนไหวการไม่หวนไหวกับอะไรต่างๆไม่แต่รู้รู้เลยไปอางทีก็มาตัวมาตัวเหมือนกับว่าค่ายๆมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตัวต้นโพเป็นงองเก่ามานั่งนี้ทําหม่หนีไปเกิดมิดเลยต่างๆตึกลับมัจะมีนะมาไล่ <laughs> ไหนี้ไล่หนีหน้ี่แทไม่นีไม่นีเขาอยู่ที่นี่จนถือก็ว่านี่อะไรไมีกามสิทธิ์อะไรมาอยู่ที่นี่เราก็นั่งอยู่ที่มานานแล้ว ไม่เห็นมีเจ้าของอะไรเป็นเจ้าของเป็นศักศิทธิ์ขี้เสษแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยสักศิทธิ์ว่าเราโมานั่งอยู่ไม่เคยมีเป็นเป็นเจ้าของทนเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยขี้เศษแผ่นดินตายก็ว่าเออตอนนี้บุยผมเป็นนา้าไหลออกพวกมารทั้งหลายพ่ายแพย้ไปนี่คือหมายความนะ อะไรเป็นแผ่นดินมั่นคงไม่หวั่นไหวสุขก็ไม่หวั่นไหวในความสุขทุกข์ไม่หวั่นไหวในความทุกข์คืเดชตนะไม่หวั่นไหวในจิตตนะมาอันทั้งหลายไม่หวั่นไหวนี่คือแผ่นดินชีวิตเป็นแผ่นดินหนักแน่นหนักแน่นไม่หวั่นไหวนี่เดียกว่าสิ่งที่หนักแน่นเนี่ยมันไม่หวั่นไหวนี่เหมือนกับว่าแผ่นดิน หมายคือว่าสมาธิหมายคือว่าสติที่เรามีอยู่เนี่ยไม่หวนวไปเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันโกรธเห็นมันโลภเห็นมันหลงเห็นอาการต่างต่าที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแม่นยําชัดเจนเห็นสุขเป็นรู้เห็นทุกข์เป็นรู้เห็นหลงเป็นรู้มันก็ได้หลักตัวนี้เข้าไปตีสี่ตีห้าก็เกิดหยาดขึ้นเจ้าพระองค์ บทเพลนหัวสอนที่เตียนคิดถึงมื่อตอนเย็นเป็นไงตอนดึกเทื่องคืนเป็ตอนตีสามตีสี่ไป็นไงกีเจก็ลู่กายขึ้งง่ายลู่ขึ้นง่ายลู่ขึ้นแต่ก่อนหลงเป็นลมบันลู่ลู่ลู่ไปลู่ไปลู่ไปมันก็เห็นห่าแต่ก่อนเราอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นกิเลสเป็นกิเลสกิเลสกลายเป็นความลู่ไปแล้วกิเลสมานเป็นขุมลู่แล้ว ขันธ์มานเป็นของมรู้แล้วมัดจุมารเป็นของรู้แล้วเทพบุตรมารเป็นควารู้แล้วมีแต่รู้ท่านนั้นไม่จะรู้มันก็เบาขึ้นเบาขึ้นไปเห็นเปลี่ยนภาวะเก่าหรือว่าเห็นภาวะเก่าทั้งแตนเดี๋ยวนี้มันอยู่ตรงไี้โล่งข้นมาแล้วยานที่สองเกิดขึ้นอยู่ที่เกิดตั้งอยู่นแล้วมันไม่หวนไหวอยู่ตุไปว่าอยู่ มีความรู้สึกเป็นที่ตั้งอยู่ไม่หวั่นไหวรูเนี่ยสิบสี่จังหวะรูสิบสี่วินาทีสิบสี่วินาทีสิบสี่รูรูที่ตั้งในรูตรงนี้รูตรงนี้ถ้าจะเปรียบแล้วการคู่เข่นเข้ากันเจะจสนอกลูเนี่ยหลายหมื่นหลายแสนลูกข้าอย่างงอนมากขึ้นมากขึ้นมากรูมากรูมาหาลูกว่าหาลูกไม่ใช่รูทำนามันมากรูคํำลู ปราบกลมหลงหมดไปตัมหลงก็หมดไปหมดไปไม่แต่รู้จู้ตุ่ยไปยนอนเออสวะขยนันทำบมายโลกกดหลงหลงด้ว